วักที่หนึ่งว่าด้วยธรรมเป็นคู่ยมกกวักวันานาวักที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งความสำคัญของใจพระพุทธภาสิทธ์มโนปุบบังขามาธรรมามโนเศษฐามโนมยามนาสาเจปดุถเถนะภาสติวากโรติวาตะโตนางลุขมันเนเวติ จากกังวะวะหตโตประดังสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่ดีการทำการพูดก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะความไม่ดีนั้นเป็นเหตุความทุกข์ก็ติดตามมาเหมือนล้อเวียนหมุนตามรอยเท้าโคอธิบายความพระพุทธภาสิเริ่มต้นนี้ สมเป็นทางแห่งความดีแท้เพราะความดีทั้งหลายต้องเริ่มต้นที่ใจคนจะทำบุญหรือทำบาปจะพูดชั่วหรือพูดดีย่อมไปจากใจก่อนใจเป็นผู้สร้างจินตนาการเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจเด็ดขาดในการให้สุขหรือทุกข์แก่บุคคลคนที่มีความสุขเพราะใจเขาเป็นสุขคนที่มีความทุกข์ก็เหมือนกันเพราะใจเขาเป็นทุกข์ ใจจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในทุกและสุขบุคคลที่เรายอมรับว่าเป็นคนดีนั้นเพราะเขาได้ทำดีและพูดดีทั้งนี้ย่อมมีการคิดดีเป็นมูลเหตุมาก่อนกล่าวอีกนัยะหนึ่งเขาตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วดำเนินตามความตั้งใจนั้นใจของมนุษย์เป็นสิ่งประเสริฐที่สุดมีค่าที่สุดเท่าที่มนุษย์มีอยู่ เพราะเป็นสิ่งชี้โชคชะตาของมนุษย์บุคคลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ใจของเขาเป็นนี่มองตามทัศนะแห่งปรัชญาเมธีตัวอย่างพระสิทธัตถะที่ต่อมาได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะพระทัยของพระองค์เป็นก่อนเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าบุคคลจะเป็นอย่างไรก็เพราะใจเข้าไปเป็นอย่างนั้นก่อนความจริงข้อนี้เป็นที่ยอมรับ แม้ในวิชาจิตวิทยาปัจจุบันพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็คือความใฝ่ฝันอยากเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อมีความต้องการและความต้องการนั้นรุนแรงขึ้นก็เป็นเครื่องกระตุ้นให้มีความพยายามความพยายามก่อให้เกิดความสำเร็จความเป็นคนดีก็มาจากความตั้งใจที่จะเป็นคนดีปราศจากความตั้งใจียแล้วหาสาเร็จไม่ คนธรรมดาได้กลายเป็นพระอรหันต์เป็นที่เคารพบูชาของคนทั้งหลายก็เพราะใจของท่านปราศจากกิเลสคนหน้าตาสวยงามแต่กลับเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายก็เพราะใจโสกรกระกแล้วไปทำและพูดโสกกระกเข้าโดยในยะนี้จะเห็นว่าใจมีความสำคัญเพียงใดคนที่โชคดีที่สุด คือคนที่สามารถทำใจให้เป็นสุขได้ทุกวันและความสงบอันแท้จริงแห่งจิตใจนั้นมาจากการยอมรับสิ่งอันร้ายแรงที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราโปรดจำไว้ว่าถ้าใจร้ายความร้ายก็ตามมาถ้าใจดีความดีก็ตามมาเรื่องประกอบพระจักคูบาล ท่านเล่าเรื่องประกอบพระพุทธภาษีนี้ไว้ว่าพระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ที่วัดเชตวันวิหารเพราะปรารพเรื่องพระจักกุบานมีเรื่องโดยย่อว่าในเมืองสาวัตถีนครหลวงของแคว้นโกศลบัดนี้เรียกสเหตมเหตอยู่ในอินเดียภาคเหนือแคว้นอุตรประเทศยูพี มีพี่น้องสองคนเป็นบุตรคนมั่งคั่งคนพี่ชื่อมหาบาลคนน้องชื่อจุลบาลวันหนึ่งมหาบาลผู้พี่ได้ติดตามคนทั้งหลายไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสในพระธรร ม, มเทศนาวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยอันงามของมหาบาลแล้วทรงหลังพระธรร ม, มเทศนาุมงมหาบาลเป็นสำคัญ ทรงเทศนาอนุปปพิกถา5คือ 1. นทานกถาว่าด้วยการให้ทาน 2. สศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีล 3. สัก ข, ขะกถาว่าด้วยความสุขในสวรรค์ 4. กามาทีนวะกถาว่าด้วยโทษและความต่ำซามของกาม 5. เน่ขำมานิสังสักถา ว่าด้วยอานิสง์แห่งการหลีกออกจากการรมเมื่อจบเทศนามหาบาลได้ความรู้ความแจ่มแจ้งในธรรมเห็นว่าบุตรทีดาและทรัพย์สมบัติเป็นของไม่ยั่งยืนคลุกคลาวไปด้วยทุกข์และโทษแม้สริระของตนเองก็ติดตามไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นไม่มีประโยชน์ในการอยู่ครองเรือน ควรบวชอย่างพระศาสดาเขาเข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วทูลขอบวชพระศาสดาตรัสถามว่ามีใครที่เขาจะต้องบอกลาบ้างเขาทูลว่ามีน้องชายอยู่คนหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสให้ไปบอกลาน้องชายซะก่อนเขากลับไปบ้านบอกมอบสมบัติให้น้องชายแล้วพี่เล่าน้องชายถามพี่จะบวชเขาตอบมั่นคง พี่จะบวชน้องชายทวนถามงงประหลาดใจใช่พี่จะบวชเขายืนยันบวชทำไมพี่พี่ยังหนุม่มยังอยู่ในวัยอันควรบริโภคกามอันเป็นรสอร่อยอย่างหนึ่งของโลกควรจะอยู่บริโภคกามถ้าจะบวชก็ค่อยบวชเมื่อแกบวชเมื่อแกมหาบานทวนคําบ้าง บวชเมื่อแก่แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีได้อย่างไรมือเท้าและอินทรีย์ต่างๆไม่อำนวยกำลังวังชาถดถอยสมณกิจเป็นภาระหนักเหมาะแก่คนมีกำลังวังชาดีจะทำให้บริบูรณ์ได้ดูพระบรมศาสดานั่นเถิดทรงสละราชสมบัติออกพนวดตั้งแต่พระชนมายุเพียง29ยังหนุ่มแน่นเหมือนกัน น้องชายจะห้ามเท่าไรมหาบาลก็หาฟังไม่คงยืนกรานจะออกบวชอยู่นั่นเองขณะที่จุลบาลร้องไห้คร่ำครวญอยู่มหาบาลก็ตัดใจไปสู่สำนักพระศาสดาทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการอุปสมบทน่าจะอุปสมบทจากสงฆ์โดยวิธียัตติจตุถะกรรมวาจา เมื่อบวชแล้วได้อยู่กับอาจารย์จนครบห้าพันษาได้นิสัยมุตตะคะคือพอปกครองตนเองได้แล้วปราถนาจะออกไปอยู่ป่าเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมทำกิจของบรรพชิตให้สิ้นจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าพระเจ้าค่าธุระในศาสนาของพระองค์มีเท่าใดดูก่อนภิกษุธุระในศาสนานี้มีสองคือคันธะธุระอย่างหนึ่ง วิปัสนาธุระอย่างหนึ่งค้าแต่พระองค์อย่างไรเรียกคันถาธุระอย่างไรเรียกวิปัสนาธุระดูก่อนภิกษุการศึกษาเล่าเรียนรรมวินัยตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วบอกกล่าวกันต่ อ, ตอไปเรียกว่าคันถาธุระส่วนวิปัสนาธุระนั้นคือการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นภูม์ และเป็นอนัตตาจนสามารถบรรลุอรหัตผลเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนี่แหละพิษุคือธุระสองอย่างในาศาสนาของเราข้าแต่พระองค์ถ้าพระพุทธเจ้าบวชเมื่อแก่อายุมากแล้วจะเรียนคันถาธุระอยู่ก็เป็นการชักช้าจึงปรารถนารีบบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์ ขอได้โปรดประธานหัวข้อกรรมฐานแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดมีข้อน่าสังเกตตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าเมื่อตอนมหาบาลบอกน้องชายว่าจะบวชน้องชายทักท้วงว่าอย่าเพิ่งบวชเลยเพราะยังหนุ่มอยู่แต่ตอนทูลขอกกรรมฐานพระศาสดาพระมหาบาลทูลว่าท่านบวชเมื่อแก่แล้วในบาลีมิได้บอกอายุที่ท่านออกบวชว่าเท่าใด จึงเป็นการยากที่จะรู้ว่าท่านหนุ่มหรือแก่กันแน่ระยะออกบวชกับตอนนี้ห่างกัน5ปีสมมุติว่าตอนออกบวชอายุ25ต่อมาอีกหปีอายุ30คนอายุ30จะรู้สึกตนว่าเป็นผู้แก่แล้วได้หรือไม่หากเป็นสตรีอาจมีความรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ผู้ชายคนอายุ30 ยังไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างจริงใจว่าตนแก่แล้วพระมหาบาลอาจรู้สึกว่าท่านแก่เพราะท่านเป็นพระที่ต้องการความหลุดพ้นหรือตอนที่ท่านออกบวชท่านอาจเริ่มย่างเข้าสู่วัยชราแล้วเช่นส5หแต่น้องชายของท่านยังมองเห็นท่านยังเป็นหนุ่มอยู่จึงเล่าเช่นนั้นโปรดพิจารณา พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ตั้งแต่ต้นจนเพียงพอที่จะบรรลุอรหัตผลได้เสมือนมารดาให้สเสบียงแก่บุตรเพียงพอแก่การข้ามทางกันดารพระมหาบาลทูลลาพระศาสดาแล้วเที่ยวหาเพื่อนภิกษุที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อไปสู่เสนาสนะป่าได้เพื่อนร่วมเดินทาง60สรูป เดินทางไปห่างเชตวันวิหาร120โยยีโยศถึงปลายแดนหมู่บ้านใหญ่ตำบลหนึ่งตอนเช้าเข้าไปบินพบาทชาวบ้านได้เห็นอาการอ น, นาเลื่อมใสของพระทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นประมุขแล้วเกิดความเลื่อมใสจัดอาหารถวายและถามว่าท่านจะไปที่ใดเมื่อพระตอบว่า ต้องการสแสวงหาที่อันผาสุกในการบำเพ็ญสมณะธรรมชาวบ้านผู้ฉลาดรู้ดังนั้นจึงอาราธนาขึ้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอนิมนจำพรรษาอยู่ที่นี่เถิดถ้าพระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่นี่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายจักนับถือพระรัตนตรยัยและรักษาศีลห้าหรือศีลแปตลอดพรรษา พระมหาบาลรับคํานิมนต์เพราะคิดว่าได้อาศัยชาวบ้านเหล่านี้แล้วอาจทําความเพียรเพื่อออกจากภพได้ชาวบ้านช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วมอบถวายตอนเช้าทุกเช้าพระก็เข้าไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีหมอใจบุญคนหนึ่งได้ปวารณาตัวว่า หากมีพระรูปใดเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้บอกเขาจะรักษาให้โดยไม่คิดค่ายาค่ารักษาแต่ประการใดเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงพระมหาบาลเถระได้ถามภิกษุผู้ร่วมพรหมจันทร์ว่าในพรรษานี้จะอยู่ด้วยอิรยาบถเท่าใดภิกษุทั้งหลายตอบว่าจะอยู่ด้วยอิรยาบบทสคือยืนเดินนั่งนอน พระมหาบาลกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระศาสดาแล้วไม่ควรประมาทพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปราณผู้ประมาทอันหนึ่งประตูแห่งอบายสีคือนรกเปรตอสุรกายและกำเนิดสัตว์ดิรฉานเปิดอยู่เสมอสำหรับผู้ประมาทเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลย จงเร่งบำเพ็ญสมณธรรมก็ท่านเล่าจากอยู่ด้วยอิริยาบถเท่าใดภิกษุทั้งหลายถามข้าพเจ้าจากอยู่ด้วยอิริยาบถสามคือยืนเดินและนั่งเว้นอิริยาบถนอนและพระมหาบาลก็ได้ทาตามนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปโรคตาก็เกิดขึ้น น้ำตาไหลออกจากตาทั้งสองข้างของท่านอยู่ตลอดเวลาภิกษุทั้งหลายทราบเข้าก็ร้อนใจไปตามหมอซึ่งปรวรณาเอาไว้หมอได้รีบประกอบยาถวายท่านแต่ท่านไม่ยอมนอนหยอดคงนั่งหยอดยาเมื่อท่านไปบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นพบหมอหมอถามท่านว่าได้หยอดยาทางจมูกหรือไม่ เราสังเกตว่าหมอประกอบยาตาให้ท่านหยอดทางจมูกหาหยอดทางตาทีเดียวไม่ท่านตอบว่าหยอดค่อยดีขึ้นหรือหมอถามไม่ดีขึ้นเลยอุบาทโศกยังเหมือนเดิมท่านตอบท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอถามพระมหาบาลนิ่งหมอประหลาดใจมากเพราะยาที่เขาประกอบนั้นเป็นยาดีมาก ที่เคยรักษาคนไข้มาหยอดเพียงครั้งเดียวก็หายแต่พระมหาบาลหยอดหลายครั้งแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยในวันต่อมาเขาถามพระอย่างนั้นอีกพระก็ตอบอย่างเดิมและนิ่งเมื่อเขาถามว่าท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอคิดว่าไม่ได้เรื่องใช้แล้วต้องไปสืบให้รู้ด้วยตนเองเขาจึงรีบเดินทางไปดูที่อยู่ของท่าน เห็นมีแต่ที่จงกรมและที่นั่งไม่มีที่นอนเขาจึงพูดกับท่านว่าพระคุณเจ้าท่านมิได้นอนหยอดยาตามที่ข้าพเจ้าสั่งเลยท่านจึงไม่หายจากโรคพระคุณเจ้าสมณธรรมนั้นเมื่อร่างกายยังอยู่ท่านย่อมสามารถทำได้แต่เมื่อร่างกายไม่ดีเสียแล้วท่านจักบาเพ็ญสมณธรรมได้อย่างไร ขอท่านจงรักษาร่างกายไว้ก่อนเถิดพระมหาบาลตอบว่าอาตมาขอเวลาปรึกษากันดูก่อนเมื่อหมอจากไปแล้วพระเถระได้ปรึกษากับตัวท่านเองคือกรัชกายว่าเราจะเห็นแก่ตาทั้งสองข้างหรือจกเห็นแก่พระพุทธศาสนาในที่สุดท่านก็เลือกเอาการเห็นแก่พระพุทธศาสนา ท่านได้ระลึกถึงมโนปณิธานของท่านที่ตั้งไว้ว่าจะไม่นอนเป็นเวลาสามเดือนในพรรษาจึงไม่ต้องการทาลายความตั้งใจแม้ตาทั้งสองจะแตกจะทําลายก็ยอมแต่จะไม่ยอมทําลายความตั้งใจท่านคงนั่งหยอดยาทางจมูกอยู่นั่นเองวันรุ่งขึ้นเมื่อพบหมอหมอถามอย่างเคยเหตุการณ์ก็คงเป็นไปอย่างเดิม คือเมื่อหมอถามว่านั่งหรือนอนหยอดท่านก็นิ่งเสียหมอรู้ว่าด้วยอาการอย่างนี้โรคของพระไม่อาจระ ง, งับได้เกรงเสียชื่อของตนจึงเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเลยเพื่อเห็นแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอท่านอย่าได้พูดกับใครว่าข้าพเจ้าเป็นหมอรักษาท่าน และข้าพเจ้าก็จักไม่พูดกับใครเหมือนกันว่าได้ปรุงยาถวายท่านพระเถระมิได้พูดอะไรกลับมายังที่อยู่ของตนให้อว่าตนเองตกลงกับตนเองว่าบัดนี้หมอได้บอกเลิกเสียแล้วขอให้มั่นคงในสัจจะปฏิญาณอย่าละทิ้งอุดมคตินั้นเสียอย่านอนยอมให้ตาแตกแต่อย่าทาลายความตั้งใจ ดวงตาหาได้ง่ายกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านานครั้งพระพุทธเจ้าจึงจะอุบัติขึ้นซักองค์หนึ่งแต่การเกิดของเราพร้อมด้วยดวงตานั้นมีนักครั้งไม่ท่วนแล้วท่านตกลงกับตนเองแล้วคงทำความเพียรด้วยอิริยาบทสามต่อไปไม่ยอมนอนพอล่วงมัชชิมยามไปกอเลยตีสองไปแล้วดวงตาของท่านก็แตก พร้อมกับการดับโดยสิ้นเชิงแห่งกิเลสทั้งปวงท่านเป็นพระอรหันตุสุขวิปัสสกผู้หนึ่งท่านอาจารย์วัสินได้อธิบายคําว่าสุขวิปัสสกไว้ว่าหมายถึงท่านผู้ดําเนินตามสายวิปัสสนามาตลอดจนเป็นพระอรหันต์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัญญาวิมุตติขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะดวงตาเนื้อของท่านดับสนิทลง ท่านใดนั้นดวงตาคือปัญญาก็พลุ่งโพร ง, พรงแจ่มจรัสขึ้นบริสุทธิ์ไร้มนทินเมื่อถึงเวลาออกบินทบาทภิกษุทั้งหลายมาชวนท่านท่านบอกว่าไปไม่ได้เสียแล้วตาบอดหมดแล้วภิกษุทั้งหลายจ้องมองดูดวงตาของท่านเห็นบอดสนิทรู้สึกเศร้าสลดใจจนน้ำตาไหลได้ปลอบโยนท่านว่าอย่าวิตกกังวลอะไรเลย พวกกระผมจะปฏิบัติท่านมิให้ลำบากดังนั้นแล้วเข้าไปบินทบาตในหมู่บ้านชาวบ้านไม่เห็นพระเถระจึงถามทราบความแล้วเศร้าสลดไปตามๆกันส่งเข้าต้มไปถวายท่านก่อนแล้วนำเข้าสวยไปด้วยตนเองในภายหลังเห็นพระเถระแล้วไม่อาจกลั้นน้าตาได้ร้องไห้กลิ้งเปลือกอยู่แทบเท้าของท่าน รอบโยนและให้คำมั่นว่าจากปฏิบัติบำรุงท่านมิให้เดือดร้อนเห็นจะเป็นเพราะตาท่านบอดลงทั้งสองข้างคนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าจากขูบาลแทนมหาบาลอันเป็นชื่อเดิมของท่านเมื่อท่านได้ทำกิจของท่านเสร็จแล้วหน้าที่ที่เหลืออยู่ก็คือโอวาสสั่งสอนภิกษุทั้งหลายให้สำเร็จมรกผลท่านได้ทำหน้าที่นั้น จนภิกษุทั้งหลายได้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งสี่ในพรรษานั่นเองเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายต้องการไปเฝ้าพระศ า, าสดานวัดเชตวันจึงเรียนให้พระจักคูบาลทราบท่านคิดว่าถ้าท่านจากเดินทางร่วมไปด้วยจะเป็นความลำบากแก่ภิกษุทั้งหลายหลายประการ ท่านจึงบอกอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นเดินทางไปก่อนและขอฝากกราบพระบาทแห่งพระศาสดาด้วยเสียงกล่าวพร้อมด้วยฝากนามัสการพระมหาสาวกทั้งหลายอันหนึง่งหากคบน้องชายก็จงเล่าความเป็นไปของข้าพเจ้าให้เขาทราบเขาจาักสั่งคนใดคนหนึ่งมารับข้าพเจ้าจากเดินทางไปสาวัถีกับบุคคลผู้นั้น สหายในธรรมทั้งหลายไปเถิดขอให้เดินทางปลอดภัยภิกษุเหล่านั้นเตรียมเก็บบริขารอันควรเก็บแล้วไปลาชาวบ้านผู้มีอุปการะต่อตนแล้วมุ่งหน้าสู่สาวตัตถีวันรุ่งขึ้นออกบินทบาทไปยังบ้านของจุลบาล น, น้องชายของพระธีระเขาเห็นภิกษุหมูนั้นแล้วจำได้จึงถามถึงพระพี่ชาย ทราบความแล้วเสียใจร้องไห้ท่านมาบอกว่าให้ส่งใครไปรับท่านสักคนหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งบอกได้เพราะคุณเจ้านี่หลานชายของข้าพเจ้าจากเป็นผู้ไปรับท่านไปอย่างนี้เห็นจะไม่เหมาะพระว่าทําไมครับในระหว่างทางมีอันตรายมากแล้วควรจะทําอย่างไร ควรจะให้บวชไปเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้สึกเสียก็ได้เป็นอันตกลงตามนั้นพระเหล่านั้นจัดการให้หลานชายของพระจักคูบานบวชเป็นสามเณรฝึกกิริยาอยู่ประมาณ15วันแล้วบอกทางส่งไปรับพระเถระสามเณรไปถึงหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านผู้ใจอารีคนหนึ่งนำไปหาพระเถระ สามเณรแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พระจักคูบาลทราบพักอยู่ประมาณสิห้าวันจึงชวนพระเทระปรับสาวัดีพระจักขุบาลทรงปลายไม่เท้าให้สามเณรจูงเข้าไปสู่หมู่บ้านก่อนเพื่อลาชาวบ้านผู้มีอุปการะชาวบ้านทราบความประสงค์ของท่านแล้วอ้อนวอนให้อยู่แต่ไม่สําเร็จจึงพากันมาส่งท่านได้หน่อยหนึ่ง ร้องไห้คร่ำครวญกลับสู่ที่อยู่ของตนสังเกตว่าพระจักคูบาลเป็นคนใจแข็งมีความตั้งใจจริงท่านตั้งใจอย่างไรท่านทําอย่างนั้นเสมอมานับตั้งแต่ตั้งใจออกบวชออกอยู่ปา่าตั้งใจไม่นอนสามเดือนยังมีเรื่องต่อไปอีกท่านจะเห็นว่าพระจักคูบาลเป็นคนจริงเพียงไร สามเณรจูงพระเถระมาถึงแนวป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขตเมืองสังกัตถะเธอได้ยินเสียงหญิงหักฟืนคนหนึ่งร้องเพลงมีความกำนัดพอใจในเสียงจึงบอกพระเถระว่าขอให้รออยู่สักครู่เธอจะไปทำธุระเล็กน้อยแล้วปล่อยปลายไม่เท้าพละไปพอสามเณรจากไปสักครู่หนึ่งเสียงนั้นก็หยุด เนนได้เสพเมถุนกับหญิงนั้นเสร็จแล้วกลับมาไปกันเถอะครับกระผมเสร็จธุระแล้วพระเถระรู้ว่าเนนทาลายศีลของตนเสียแล้วเธอไปทาอะไรอยู่นานเหลือเกินเธอไม่เป็นเนนแล้วใช่ไหมพระถามสามนเณรนิ่งพระเถระถามหลายหนแต่เนนไม่พูดอะไรพระเถระจึงกล่าวว่า เธอไปเสียเถิด อ, อย่าจับปลายไม่เท้าของฉันเลยเธอชั่วเกินไปไม่ควรนำทางฉันฉันไม่ปราถนาให้คนชั่วอย่างเธอจับปลายไม่เท้าฉันฉันไม่ต้องการเดินตามหลังคนชั่วเช่นเธอสามเณรเกิดสังเวชสลดใจจึงเปลื้องจีวร อ, ออกนุ่งห่มผ้าขาวอย่างคฤรืหัดพลางกล่าวท่านลุง บัตรนี้กระผมเปลี่ยนเพศเป็นคฤริหัดแล้วโปรดไปกันเถอะอย่าเลยฉันไม่ไปกับเธอท่านลุงเมื่อกระผมบวชก็มิได้บวช ด, ด้วยศรัท ธ, ธาแต่บวชเพราะกลัวอันตรายในหนทางเปลี่ยวบวชเพื่อมารับท่านบัตรนี้กระผมเป็นคฤริหัดแล้วไปกันเถอะท่านพระเถระกล่าวว่า คาหัสชั่วก็ตามบรรพชิตชั่วก็ตามก็ชื่อว่าชั่วเหมือนกันเธอนั้นดํารงตนอยู่ในเพศอันสูงควรหลีกห่างจากความชั่วก็ยังเว้นความชั่วไม่ได้ไม่สามารถประพฤติแม้แต่ศีลให้สมบูรณ์เมื่อเป็นคฤรืหัดเธอจะเป็นคนดีได้อย่างไรเธอมีรัว้วยังทําลายรั้วออกไปเมื่อไปอยู่ในเขตอันไม่มีรัว้ว เธอจะระเริงหลงสักเพียงใดอย่าเลยอย่าจับปลายไม้เท้าของฉันฉันไม่ต้องการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอหลานชายอ้อนวอนให้ท่านไปด้วยอ้างว่าหนทางเต็มไปด้วยอันตรายแต่พระเถระก็ยังคงยืนกรานอยู่นั่นเองและกล่าวเพิ่มเติมว่าฉันจะนอนกลิ้งเปลือกตายอยู่ที่นี่ก็ได้ แต่ไม่มีการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนพาลหลานชายของท่านเกิดสังเวชสลดใจในกรรมของตนกอดแขนคร่ำครวญวิ่งเข้าราวป่าไปท่านจะเห็นว่าพระจักคูบานเป็นคนจริงเพียงไรต่อจากนี้ตำนานเล่า ว, ว่าเท้าสักกะซึ่งเป็นหัวหน้าเทพเจ้าชั้นดาวดึง เกิดร้อนใจเพราะเดชแห่งศีลของพระเถระจึงทรงเล็งแลลงมายังโลกมนุษย์ได้เห็นพระจักขุบาลเถระกำลังลำบากจึงเสด็จลงมาช่วยนำทางไปเมืองสาวัตถีโดยปลอมองค์เป็นคนเดินทางไกลมาพบพระเถระพระจักขุบาลได้ยินเสียงฝีเท้าคนจึงถามว่าเป็นใคร ข้าพเจ้าเองเป็นคนเดินทาง้าวสักกะตอบท่านจะไปไหนอุบาสกจะไปเมืองสาวัตถีพระคุณเจ้าแล้วพระคุณเจ้าเล่าจะาไปไหนอาตมาจะไปเมืองสาวัตถีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนิมนต์ไปกับข้าพเจ้าเถิดอาตมาเป็นคนตาบอดท่านเดินทางร่วมกับอาตมาจะทําให้การเดินทางชักช้า ไม่เป็นไรพระคุณเจ้าข้าพเจ้าไม่มีกิจธุระรีบร้อนอะไรอันหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าร่วมเดินทางไปด้วยข้าพเจ้าก็จะได้เหตุแห่งบุญสักประการหนึ่งในสิบประการนั่นคือวั ย, ยาวจามัยมบุญอันได้จากการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบพระเถระรู้ได้ทันทีว่าบุคคลผู้นั้นเป็นสัตว์บุรุษจึงส่งปลายไม้เท้าให้ ออกเดินทางมุ่งสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลและได้ถึงสาวัตถีในเย็นวันนั้นตำราว่าเท้าสักกะย่นแผ่นดินให้สั้นเข้าเรื่องเท้าสักกะนี้ผู้ไม่ปรงใจเชื่อตามตำราอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นคนเดินทางจริงๆมาพบพระเถระเข้าและเขารู้จักทางลัดไปสาวัตถีจึงถึงได้เร็ว ข้าพเจ้าเคยอ่านประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระซึ่งเขียนเล่าโดยอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านเล่าว่าเวลาเที่ยงคืนแทบทุกคืนพวกเทพชั้นต่างๆจะมาหาท่านพระอาจารย์มั่นเสมอมากันเป็นพวกพวกฟังธรรมด้วยอาการที่เรียบร้อยซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ท่านยืนยันว่าพวกเทพมีอยู่เป็นอันมาก ชอบพิษุผู้มีศีลปฏิบัติธรรมดีข้าพเจ้าเองผู้เขียนเรื่องนี้ก็เชื่อว่าเทวดามีอยู่จริงผู้หูทิพตาทิพย่อมประสบพบเห็นอยู่เสมอเมื่อพระเถระมาถึงสาวัตถีเร็วเกินกว่าที่ท่านคิดท่านจึงถามผู้นำทางว่าทําไมจึงถึงเร็วนะักท่านผู้นั้นบอกว่าเขารู้ทางตรง พระเถระจึงรู้ว่าผู้นั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเทพเจ้าคนดีมีศีลธรรมมีใจสะอาดเมื่อลำบากย่อมได้รับการช่วยเหลือจากเทวดาเป็นผู้อ่านเทวดาอุปถัมภ์ค้ำชูเท้าสักกะผู้นำทางนั่นเองได้พาพระจักคุบานไปยังศาลาที่น้องชายของท่านสร้างไว้แล้วเข้าไปบอกจุลบาลว่า พระเถระพี่ชายมาแล้วจุลบาลมาหาพระเถระเห็นพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างไม่อาจกลั้นความโศกได้ร้องไห้กลิ้งเกลือกรำพันว่าได้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงไม่ยอมให้บัวตั้งแต่แรกจุลบาลเรื่องมันล่วงเลยไปแล้วอย่าคิดอะไรเป็นเรื่องของกรรมพระเถระปลอบน้องชาย จุลบาลทําเด็กทาตสองคนให้เป็นไทยคือปลดปล่อยจากความเป็นทาตแล้วให้บวชเนนดูปรนิบาตพระเถระเย็นวันหนึ่งภิกษุหลายรูปมาจากต่างถิ่นมาสู่วัดเชตวันเพื่อเฝ้าพระาศาสดาเที่ยวเดินพรมสถานที่ต่างๆอยู่มาถึงที่ของพระจักคูบาลบังเอิญฝนตกจึงพากันกลับที่อยู่ของตน ตั้งใจว่าตอนเช้าจะมาใหม่คืนนั้นฝนตกในปฐมยามหยุดในมัชชิมยามพวกแมลงข้อมทองลงเล่นบนพื้นดินที่ฝนตกใหม่พอปิมยามพระจักคุบาลเถระก็ลงจงกรมท่านเหยียบเอ า, มาแมลงข้อมทองตายไปมากตอนเช้าพวกศิษย์ของท่านยังไม่ทันกว่าที่จงกรมพวกภิกษุอาคันตุ ก, กะก็มาเยี่ยม เห็นแมลงข่อมทองตายเป็นอันมากจึงถามว่าเป็นที่จงกรมของใครเมื่อรู้ว่าเป็นที่จงกรมของพระจักขูบานจึงติเตียนว่าดูเธอจงดูกรรมของสมณะเมื่อตายังดีอยู่มัวนอนหลับเสียไม่ทำสมณะทำอันควรทำพอตาบอดแล้วจึงขยันจงกรมทำสัตว์ให้ตายเสียเป็นอันมากคิดว่าจากทาประโยชน์ กลับทำสิ่งอันไร้ประโยชน์ภิกษุเหล่านั้นกลับไปเฝ้าพระศ า, าสดารูนเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พ, พระศาสดาตรัสถามว่าเห็นพระจักขุบาลเหยียบสัตว์หรือไม่เห็นพระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุเธอไม่เห็นจักขุบาลเหยียบสัตว์ฉันใดจักขุบาลก็ไม่เห็นสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันธรรมดาพระอรหันต์ย่อมไม่เจตนาฆ่าสัตว์ ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระจักคุบานมีอุปนิสัยแห่งอรหัตตผลอยู่ชไหนจึงตาบอดพระศาสดาตรัสตอบว่าเพราะกรรมเก่าแล้วส่งเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการในเมืองพาราณสีมีหมอยาคนหนึ่งเที่ยวรักษาคนไข้อยู่ในบ้านต่างๆนิคมต่างๆวันหนึ่ง เขาได้พบหญิงซึ่งตามืดหมัวคนหนึ่งจึงอาสาเข้ารักษาหญิงนั้นก็ยินดีหมอถามว่าหากหายแล้วจะให้อะไรแก่เขาบ้างหญิงนั้นตอบว่าตนพร้อมด้วยบุตรธิดาจะยอมเป็นทาสของหมอหมอจึงประกอบยาให้และหญิงนั้นหายโรคด้วยการหยอดยาเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อหายแล้วกลับคิดจะบิดพลิ้ว ไม่ยอมเป็นทาสของหมอตามสัญญาเมื่อหมอถามจึงแซงบอกว่าเมื่อก่อนนี้ตาเธอเจ็บน้อยหลังจากหยอดยาของหมอแล้วเจ็บมากขึ้นหมอรู้ทันทีว่าหญิงนั้นไม่ซื่อไม่ต้องการให้ค่าจ้างคนอย่างนี้ต้องทำให้ตาบอดเสียคิดแล้วกลับไปบ้านประกอบยาเสร็จแล้วบอกให้พันรยาทราบ แต่ภรรยาของเขามิได้ห้ามปรามนิ่งเสียหมอกลับไปหาหญิงคนไข้ของตนมอบยา น, นั้นให้พอเธอหยอดเท่านั้นตาก็บอดทันทีหมอคนนั้นได้มาเกิดเป็นพระจักคูบาลพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิสุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราคือพระจักคูบาลทำแล้วในครั้งนั้นได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้โอกาสก็ให้ผล ทำอันบุคคลทําแล้วย่อมติดตามบุคคลไปเหมือนล้อเกวียนมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นพระศาสดาตรัส ด, ดังนี้แล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิที่กล่าวไว้แต่เบื้องต้นแล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่ดีการทําการพูดก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะความไม่ดีนั้นเป็นเหตุ ความทุกข์ก็ติดตามมาเหมือนล้อเกวียนมุนตามรอยเท้าโค